พินใครวันยิ้มออกมานิดหนึ่งถ่ายมือทั้งสองกว้างออกไปเอาละครับผมจะไม่ถามเรื่องนี้อีกละทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีละผมเองก็ดีใจที่คุณสองคนรอดตายออกมาได้มีอะไรที่ใครจะถามผมอีกบ้างั้ยครับหัวหน้าคณะเอื้อมมือมาจาับแขนของเขาไวา้บีบหนักหน่วงกระพิน คุณใช้คำที่พวกผมฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยขณะนี้เรากำลังคุยกันภายหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นมาได้แล้วคุณเอาสองคนมาส่งให้เราได้สำเร็จคุณก็แยกไปพักนอนเลยเพิ่งจะตื่นขึ้นมาร่วมทานอาหารร่วมกันนี่หากจะมีอะไรในรูปของคำถามก็แปล ว, ว่าเราอยากสนทนาอยากทราบความจริงที่เรายังไม่รู้เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการเรียกคุณเข้ามาสอบสาวราวเรื่องหรือตั้งคำถามสอบสวนอะไรใช่ผมย้ําอีกอกี่ครั้งละเดี๋ยวนี้เราไม่ได้คิดว่าคุณเป็นลูกจ้างเราแล้วนะนอกจากเป็นเพื่อนร่วมตายน้ำเสียงนั้นหมายความตามที่พูดอย่างแท้จริงจอมทานยิ้มกว้างออกไปผมขอภัยครับถ้าหากว่าผมจะใช้คําพูดอะไรที่ทําให้คุณต้องเข้าใจไปเช่นนั้น ยอมรับครับว่าผมขุ่นมัวแล้วก็อ่อนเพลียมากครับอะถ้างั้นก็กลับไปนอนซะดีไหมเบนประชดเอาบ้างเอียงหน้าถามสุภาพบุรุษไพรหัวเราะสำหรับผมคืนนี้จะยังไม่นอนนะครับจนกว่าพวกคุณจะหลับกันหมดแล้วไม่ใช่เฉพาะผมเท่านั้นนะครับแม้คุณเชิดบุตหรือคริสก็สะบักสะบอมมากอาจจะมากกว่าผมซะอีก ตั้งแต่กลับมาถึงแคมป์ของเราหน่สองคนนี้พักผ่อนกันมั่งยังประโยคหลังเขาเปรยถามไปทางเชิดบุตรและคริสติน่านายทหารหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความแจ่มใสในอารมณ์ซึ่งลบล้างความอ่อนเปรียกเพียแรงไปจนเกือบหมดสิน้นตอบมาปนหัวเราะว่าโถพักกะผีอะไรล่ะครับพอมาถึงแล้วคุณแยกไปงีบแล้ว ผมกับคริส ต, ต้องทำหน้าที่เล่านิยายรพจน์ภัยเรื่องใหญ่ให้พวกนี้ฟังชนิดหู ป, ปากถ้าไม่ลงเชอะสามคนในช่วยกันป้อนคำถามแหลกลานเลยลุงคำกระจันซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายคุณก็ถูกเรียกมาสักจนหมดเปลือกเหมือนกันซึ่งสามคนนี่แม่จะไม่ได้ไปเสี่ยงชีวิตทุกยากเหมือนฝ่ายผมและฝ่ายคุณแต่ก็รับรู้เรื่องราวทะลุปลูโ ป, ปร่หมดแล้วคริสติยังดีสบายกว่าผมมาก นั่งพักตาครึ่งหลับครึ่งตื่นตลอดเวลาใครสงสัยอะไรตอนไหนก็บุยถามมาทางผมคนเดียวโอ้ยเหนื่อยกายยังไม่พอกลับมาถึงแคมปนี่ยังต้องเหนื่อยปากอีกด้วยคนที่ตายไปแล้วแต่ดันฟื้นคืนชีพกลับมาได้ไอคนข้างหลังมันก็อยากรู้ว่าไปยังไงมียังไงสิโว้ยบุษระหว่างที่ระพินยังอยู่กับพวกเราเราก็คอยหลอกลวงทำหน้า เขาก็คอยหลอกลวงทำหน้าที่ปลอบใจเราอยู่ตลอดเวลาว่า น, นายกับคริสจะไม่เป็นไรแน่ปเดี๋ยวก็จะกลับมาสมทบกับพวกเราที่รอคอยกันอยู่แต่เราก็เชื่อเขาวางใจเขาเมื่อเขารับรองเช่นนี้อีทีนี้อีตอนที่ตื่นขึ้นมาพบวรารพินออกไปตามเมื่อตอนใกล้รุง่งแล้วก็หายเงียบต๋อมอีกคนนึงโดยไม่ได้ข่าวคราวเลยนี่สิพวกเราแทบบ้าตาม บ๊อบกัเบลทำพิธีสวดส่ง ว, วิญญาณกันนายกับคริสนานายผมส่งลานบินรองบอกมาเออขอบใจว่ะที่ห่วงถึงแต่ในที่สุดฉันกับคริสก็กลับมาจนได้นั่นแหละไอ้ร่างกายครบอาการ32แม้จะสะบักสะมอมมั่งก็ตามรบพินรอบสังเกตไปทางเชิดบุตรกับคริสติน่าก็เห็นว่ามีการแต้มยาติดพลาสเตอร์กันแห่งละเล็กละน้อย นั่นแสดงว่าทั้งสองได้รับการตรวจสุขภาพเยียวยาจากหมอเบลเรียบร้อยแล้วคงจะทันทีที่โผลกลับเข้ามาถึงนั่นแหละก็รู้สึกเบาใจขึ้นที่ทั้งสองไม่ถึงก็เจ็บ่า้ได้ป่วยหรือมีอาการแทรกซ้อนแต่อย่างใดด็อกเตอร์สแตลลีทำหน้าที่สอบซักรายละเอียดจากเขาเพิ่มเติมอีกพักใหญ่ซึ่งเขาก็ให้ความจริงไปแทบทุกอย่างจนกระทั่งฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังหมดสิ้นข้อกังขาเอาละ ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีที่สุดแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้อเมริกันอาวุโสเอ่ยเหมือนจะสรุปขึ้นด้วยเสียงห้าวกลางวานชัดเจนของเขาแล้วยื่นมือมาให้รับพินจับบีบกระชับแน่นแล้วสั่นแรงแงเต็งไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องกล่าวอะไรต่อไปอีกคิดเป็นคนส่งถ้วยบรันดีมาให้เขาพร้อมกับ ก, บกาแฟอีกถ้วยหนึ่งภายหลังเมื่อเขาวางมือจากอาหาร จอมพรานพึพรรมพำขอบคุณแล้วถามว่าวิทยุเครื่องใหญ่ของคุณทำงานได้แล้วยังคิดก็พอใช้ได้นะแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะักไอพวกหาข้างบนน่ะสิด่าพ่อล่อแม่ลงามาใหญ่เลยที่เราเงียบหายขาดการติดต่อไปนานและขณะนี้มันหาพิกัดของเรายังไม่พบบอกว่าไม่เห็นมีในแผนที่ เป็นคำตอบอย่างคันเองและสนิทใจยอย่างที่สุดปราศ จ, จากสิ่งใดเคลือบแฝงอีกต่อไปสำหรับพันเอกลาริคิดจากประโยคและน้ำเสียงรพินพยักหน้าเขาไม่สอบถามต่อไปในเรื่องนั้นเพื่อไม่ต้องการให้ฝ่ายนายจ้างพิจารณาว่าเป็นการสอด ส, สู่รู้ในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเมื่อเขาสอบถามไปทางหัวหน้าคณะว่าเหตุการณ์เป็นเช่นไรบ้าง ขณะที่เดินทางมาถึงห้วยเสือร้องก็ได้รับคำตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีมากคุณกระเรียงอพยพกับกะเรียงที่นี่รู้สึกว่าจะเป็นยากพี่น้องกันทั้งนั้นนะต่างฝ่ายต่างดีใจที่ได้พบเห็นกันแล้วก็ยินดีต้อนรับเราอย่างมิตรเนื่องจากมีเด็กของคุณสองคนคือเกิดกระเซยทำหน้าที่เป็นตัวแทนหัวหน้าคณะนาพวกเรามา ผมได้เกิดนําหัวหน้าบ้านที่ชื่อซอกาเลมาพบแล้วก็สอบถามความดูแลพวกนี้ยังไม่ระแคะระคายอะไรเลยเกี่ยวกับไอ้ขโขลงช้างผีสิงและกลุ่มอมนุษย์พวกนั้นที่จองล้างจองผลาญพวกเรามาตลอดทางรวมทั้งเข้าทําลายหมู่บ้านตะเคียนทองจนย่อยยับไปหมดก็เพิ่งจะมารู้ข่าวเอาเมื่อพวกเรามาถึงนี่แหละพวกนี้ดีต่อเรามากทีเดียวคุณเมื่อรู้ว่าคณะที่มานี่มีคุณเป็นผู้นํามา แต่เราก็ต้องอึดอัดใจไม่น้อยทีเดียวเมื่อถูกพวกเขาถามว่าแล้วตอนนี้คุณไปอยู่เส้ที่ไหนตอนที่เราเพิ่งมาถึงแล้วคุณยังไม่กลับมาในที่สุดเราก็จําเป็นต้องบอกเขาไปตามตรงว่าคุณนติดธุระไปติดตามพวกเราที่หลงทางอยู่เขาก็รอคอยการกลับมาของคุณกันทุกคนะ่ะจอมพ่านพยักหน้าช้าๆครับผมเองก็เห็นโซคาเล่เพียงแวบเดียวไม่ได้ทักกัน ได้ทักกันแค่คำสองคำเท่านั้นเพราะตอนนั้นผมแยกตัวไปของงีบหลับก่อนปเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพวกนี้ทีนึงอ๋อแล้วได้สอบถามเขามั่งหรือยังเกี่ยวกับวิแววหรือร่องรอยของเครื่อง b ีห้าบลำนั้นสตาลีสันศีสะอย่างทอดอะไรผมก็เกิดถามดูแล้วนะคุณหมดหวงังเครื่องไม่ได้ดตกในละแวกใกล้เคียงนี่แน่ เพราะพวกนี้ไม่ได้รักแค่ระคายอะไรแม้แต่นิดเดียวพวกเขาไม่ได้พบเห็นกับสิ่งผิดปกติอะไรสักอย่างราพินถอนใจลึกถ้างั้นก็แปลว่าเราจะต้องงมเข็มในมหาสมุทรกันต่อไปในชั้นนี้เราทำหน้าที่พิเศษสำเร็จไปได้เปลานะหนึ่งเท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่งานโดยตรงของพวกคุณเลย ออบพยบกะเรี่ยงตะเคียนทองให้เข้ามาสมทบกับกระเรี่ยงเสือร้องได้พวกเขาปลอดภัยพอสมควรละพบปะาพักพวกรวมกลุ่มกันได้พอมีที่อยู่ที่ทำมาหากินไม่ต้องไปเป็นมนุษย์ถ้ำซุกซ่อนอยู่ตามโพรงหน้าผาอย่างที่เราพบต่อไปก็เป็นเรื่องของเราละผมขอฟังแผนคืบหน้าต่อไปของคุณได้ไหมระพินอเมริกันหัวหน้าคณะ เริ่มเข้าสู่งานทันทีดรครับความตั้งใจของผมถ้าพวกเราไม่อิ่วรยกันจนเกินไปนะโดยเฉพาะเชิดวุตกับคริสซึ่งเพิ่งจะรอดตายมาได้หยกๆผมก็กะ ว, ว่าพรุ่งนี้จะออกเดินทางต่อไปทันทีครับคิดมองไปยังบุคคลที่ถูกระบุนามทั้งสองถามว่าอ่ะไหวไหมบุตแล้วก็คริสอ่ะ พายใหญ่เองน่ะเขารู้ดีว่าทั้งฉันและเชิดบุตไม่ได้เป็นอะไรมากนะคริสติน่าเอ่ยมาลอยลอยนายทหารหนุ่มบุตรชายท่านนายพลก็เสือไมอ่กว่าชาติคิดแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากมายหรอกจะเดินทางต่อพรุ่งนี้ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเสียเวลาพักเลยแล้วความเห็นของหมอล่ะผมคิดว่าคุณคงจะตรวจอาการของเขาสองคนแล้วใช่ไหมเบีล ระพินเบนสายตาไปที่แม่ผมแดงเบนหัวเราะเสียงใสมองหน้าเชิดบุตรครั้งหนึ่งแล้วหันกลับมามองจ้องหน้าคริสอีกครั้งหนึ่งก็ไม่น่าห่วงอะไรหรอกใช่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ตลอดทั้งคืนนี้สําหรับสองคนนี่อ่ะถ้างั้นฉันก็ขออนุญาตนอนก่อนนะคุณนายสาหรับทุกคนคริสติน่าบอกลานอนง่ายๆ แล้วเลื่อนตัวเข้าหาที่นอนของหล่อนภายใต้หลังคาขึงพลาสติกกันน้ําค้างสอดตัวเข้าไปในโปง่งผ้าห่มหนาหลับตาลงโดยไม่สนใจกับอะไรอีกอเมริกันหัวหน้าคณะหันมองเชิดบุตรเหมือนจะเตือนให้พักด้วยนายทหารหนุ่มจึงยกมือขึ้นแตะขมับแล้วเข้าที่นอนเช่นกันความจริงเขาอยากจะฉวยโอกาสเข้าไปนอนอยู่ชิดกับแม่ผมทอง แต่มันติดขัดที่คิดนั่งเหมือนจะกันท่าขวางไว้ก่อนแล้วอยากจะถีบให้มันออกไปรวมหัวคุยหรือปรึกษากระพินนอกบริเวณที่พักนอนแต่แล้วก็ไม่ต้องการให้ใครจับพิรุษอะไรได้ก็เลยต้องนอนตรงตำแหน่งที่ห่างออกมาและเพื่อจะระงับความฟุ้งซ่าน ท, ทั้งทั้งที่ง่วงแสนง่วงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเชิดวุฒกลืนยากล่อมประสาทเข้าไปสองเม็ดแล้วสงบจิต นมือไหว้พระในท่านอนหงายนั้นและในไม่ช้าท่ามกลางเสียงพูดคุยกันงึงงำงึมงเระหว่างคิดสแตลลีระพินและเบลเขาก็พลอยหลับไปบัดนี้จึงเหลือเพียงสี่คนที่หารือกันอยู่โดยมีแผนที่ของดอกเตอร์สแตนลีออกมากลางแผ่ท่ามกลางตะเกียงแบตเตอรี่ระพิน นี่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่เป็นชมรมของมนุษย์อาศัยอยู่แล้วคุณรู้จักหัวหน้าคณะถามมาครับด็อกเตอร์ต่อไปนี้ถ้าเราตัดขึ้นเหนือตามแนวทางที่แผนที่ฝ่ายคุณระบุก็แปลว่าเราจะล่วงหน้าเข้าดงดิบป่าดึกดำบรรที่เรียกกันว่านารกดำนั่นแหละนายคิดฮอไหลลงเฮ่ ه, ทำไมถึงต้องเรียกว่านารกดำ ชื่อมันฟังไม่เป็นมงคลหูเลยคิดไม่ใช่เฉพาะไม่เป็นมงคลหูอย่างเดียวเท่านั้นนะยังไม่เป็นมงคลต่อชีวิตอีกด้วยไม่ว่าใครทั้งสิ้นที่พยายามผ่านเข้าไปทำไมล่ะคุณหัวหน้าคณะเหลือตาดูเขาเอ่ยถามขึ้นบ้างเสียงต่ำๆผ่านเข้าไปได้ครับ หลายคนหลายคณะพยายามมาแล้วแต่ไม่เคยเห็นใครผ่านกลับออกมาได้คือเข้าไปแล้วก็หายไปเลยเหมือนกับการสูญหายของบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเท่าที่เราเดินทางกันมาแล้วนะ่ะมันแค่ชายป่าเท่านั้นไอเส้นทางแท้จริงถ้าแผนที่ของคุณชี้บอกไม่ผิดว่าจะต้องไปตามแนวนี้ก็แปลว่าการบุกบั่นอย่างแท้จริงมันเพิ่งจะมาเริ่มต้น เอานัดจุดที่เราออกจากคุ้ยสือร้องเนี่ยแหละครับคิดสะบุดหยาบคายตามนิสัยแต่ไม่ได้เจตนาจะด่าใครปัทโธยเดินกันมาแทบตายเสียงกับภัยทุกชนิดจนแทบจะเอาชีวิตกันไม่รอดอยู่แล้วคุณยังว่าแค่ใช้ป่าเท่านั้นเหรอกระพินใช่ไอ้ที่พวกเราผ่านพบมาแล้วเนะ่มันแค่ใช้ป่าหรือริมดงเท่านั้นแหละคุณ ต่อไปนี้ก็เตรียมตัวได้พบมาแล้วเช่นไรเอาสิบคูณนั่นน่ะคือหนทางเดินข้างหน้าของเรานายคิททำตาเหลือเส่นด็อกเตอร์สแตนลีย์เช็ดริมฝีปากนิ่งงันไปนี่ระพินแต่ประวัติของคุณที่เคยผ่านเข้าและผ่านออกมาได้ไม่ใช่เหรอระพินก้มศีรษะลงนิดหนึ่ง ใช่ครับประวัตินันเป็นอย่างนั้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมจะทำได้ทุกครั้งไปเอาละครอยากกังวลหรือสักถามอะไรเลยในเรื่องนี้เดินลึกไปแล้วก็รู้เห็นด้วยตัวเองละก่อนออกเดินทางมาผมก็ได้บอกกับพวกคุณแล้วสำหรับผมนะ่ะพวกคุณสบายใจได้เมื่อตัดสินใจนำทางมาแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าผมละสละแล้วแม้ชีวิตตัวเองถ้าพวกคุณไม่ถอย ผมก็ไม่ถอยสำคัญว่าผมยังไม่ถอยแต่ฝ่ายคุณจะขอถอยซะเองเท่านั้นแหละรพินผมคีธเบ์แล้วก็คริสถูกใช้มาทำงานครั้งนี้เราได้รับคำสั่งให้เดินหน้าอย่างเดียวคุณไม่มีการถอยนอกจากตายหรืองานสำเร็จ ย, ยิ้มปรากฏขึ้นบนสีหน้ากลั่นเกรียมของมัคคุเทสนำทางครับนั่นก็แปลว่าฝ่ายคุณเขาได้เฟ้นเลือกตัวบุคคลมาได้อย่างถูกต้องคะผมรักที่จะร่วมทางกับคนกล้าครับแต่เบื่อระอาที่จะต้องร่วมกับคนขาดถ้าอย่างนั้นคุณก็จะไม่ผิดหวังเป็นั้นขาดกระพินครับยินดีมากครับที่คุณยัำให้ผมแน่ใจอีกครั้ง ก่อนการเริ่มต้นออกจากห้วเสือร้องนี่แล้วคุณคิดยังไงแกเจ้าเด็กลูกในาพลน่ะสเตลีบุยปากไปทางเชิดบุตรด็อกเตอร์ครับทารายนั้นน่ะบอกตามตรงผมห่วงน้อยกว่าพวกคุณสิการเอาชีวิตรอดออกมาได้จากภูเขาถล่มเมื่อคืนวานนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ชัดว่ากำลังใจดี ฝีไม้ลายมือในการผจญภัยในป่าก็ดีเขาไม่ได้เดอนไปกว่าพวกคุณหรอกนี่ถ้าผ่านห้วยเสือร้องไปแล้วเน่ะคุณไหวพวกอมนุษย์และโขลงช้างปีศาจเหล่านั้นมันจะติดตามรังควานเราต่อไปอีกไหมคำถามนี้มาจากอิซาเบล ร, ระพินคงยิ้มอยู่เช่นนั้นในเงาสลัว มันเป็นรอยยิ้มที่นายจ้างอเมริกันทั้งสามทายความหมายไม่ถูกโอกาสที่มอที่สุดของพวกมันก็คือรอให้เราล่วงเข้าเขตนรกดำอันแท้จริงซึ่งก็คือถิ่นของมันนั่นแหละที่แล้วมานะมันยังทำอะไรเราไม่ถนัดนักหรอกครับผมจะไม่บอกพวกคุณเลยถ้าคุณไม่ถามขึ้นมาแต่นี่เมื่อถามนะ้วก็จะบอกตามตรง เราสัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่มีอะไรปิดบงังคำพูดเรื่อยๆฟังดูปกติธรรมดาที่สุดของมักคุเทศนำทางสร้างความเงียบงันไปชั่วขณะถ้างั้นก็ถือหลักปฏิบัติอย่างที่เราได้ตกลงกันมาแล้วนั่นแหละระพินหัวหน้าคณะกล่าวเสียงแผ่วต่ำแม้จะเต็มไปได้วยแววอึดอัดลำบากใจปรากฏในแววตา แต่ท่าทีของคณะของอเมริกันเอาวุโสผู้นี้ก็เป็นปกติดีที่สุดปราศจากความพลันพรึงวันไหวใดๆสำแดงให้ปรากฏรงข้ามกับหมอเบลซึ่งนั่งกอดเขา่าสีหน้าไม่เป็นสุขนะักส่วนคีตนะแยกเขียวระพินเอาเป็นว่าเราจะรุดหน้าของเราไปเรื่อยๆจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆไป แล้วถ้าเป็นไปได้เป็นต้นว่าคุณพอจะแสวงหาทางผ่านพบสุสานเก่าแก่แห่งอาณาจักรนิทานาครที่คุณแน่ใจว่ามันไรไปขนซากโบราณเหล่านั้นออกมาให้เป็นไพร่พลพคอยดักเล่นงานเราเราก็จะหาทางระเบิดให้ภูเขาถล่มปิดทางเข้าออกของมันซะอย่าให้มันนํำซากเหล่านั้นทยอยออกมาเล่นงานเราได้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าภายใต้การนาของคุณ หรือคุณยังอยู่กับพวกเราแบบนี้ต่อให้มันใช้เล่กลงยังไงก็ตามก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกและพวกเราหมายถึงฝ่ายผมก็จะปฏิบัติตัวตามข้อแนะนำของคุณทุกอย่างรับรองว่าจะไม่นอกเหนือคำสั่งของคุณเลยครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากครับและผมก็ต้องการอย่างนั้นพวกคุณไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับมหาสัจจชนิดนี้มาก่อน แต่เดี๋ยวนี้ก็ได้เผชิญพบเห็นกระตามาแล้วเกินกว่าที่ผมจะต้องอธิบายอะไรอีกจอมพรานพูดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสีหน้าเขายิ้มอยู่ตามเดิมอิสเบรเอาศอกสะกิดแขนหัวหน้าของหล่อนเอียงหน้าเข้าไปบอกว่าหัวหน้าคะถ้าฉันจำไม่ผิดบุญคำด้วยลูกน้องคนใดคนหนึ่งของเขาจำไม่ได้แล้ว เคยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้กับฉันว่าให้คอยดูกิริยาอาการของชายคนนี้ให้ดีถ้าเขาเคร่งขรึมดุ ด, ดันก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมเราอยู่มันอยู่ในสภาพปกติแต่ถ้ายามใดที่เขายิ้มกับพวกเราบ่อยๆและพูดอะไรให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อนั้นแหละให้เราเร่งระวังตัวไว้เพราะมันหมายถึงสัญญาณอันตรายขีดสุด เธอก็อย่าประสาทให้มากเกินกว่าเหตุนักเลยนะเ mm hmm. บลดรสเตอร์ลีทำเสียงต่ําๆติงมาอิสเบลเอามือทั้งสองบีบขมับสั่นหน้าอยู่ไปมาพึมพำว่าที่มาด้วยกันทั้งหมดนี่ฉันเห็นจะต้องยอมสารภาพเลยละ่ะว่าฉันอ่อนแอและหวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เราพบมาแล้วและกำลังจะพบต่อไปมากกว่าทุกคน สมมติว่าแทนที่จะเป็นคริสติน่าที่เข้าไปหลงติดอยู่ในถ้ำใต้พิภพนั่นแต่กลายเป็นฉันฉันนั่นฉันคงบ้าตายไปแล้วคงไม่มีวันหาทางออกมาได้หรอกคงตายพระชอกไปแล้วพระใหญ่กลับสายหน้าช้าเปล่าเสียงอ่อนโยนมาว่าไม่รอกเบลไม่ว่าจะเป็นคริสหรือคุณผมแน่ใจนะ ว่ามีความกล้าหาญเด็กเดียวแล้วก็สามารถจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ดีด้วยกันทั้งนั้นแต่อาจจะเป็นคนละรูปแบบก็ได้คุณรู้ได้ยังไงว่าคริสเองน่าจะไม่ช็อกตายถ้าไม่ใช่เพราะมีคุณเชิดวุฒเป็นเพื่อนอยู่ด้วยความจริงพวกเราทั้งสองฝ่ายที่แบ่งกันออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งปีหน้าผาขึ้นไปเผชิญหน้ากับไอ้ช้างงาดาหรือไอ้ผีดิบนะ่อีกฝ่ายหนึ่ง เดินเข้าช่องผาด้านล่างเป็นเป้าล่อไม่มีฝ่ายไหนจะมีโอกาสเสี่ยงน้อยกว่ากันกนะคุณไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบก็ล้วนแต่เสี่ยงเท่าเท่ากันทั้งนั้นอีตอนที่หินมันถล่มลงมาหินพลูเข้าไปพวกที่ไปขึ้นไปก่อนแล้วจึงร่วงหล่นลงมายังหนทางเดินข้างล่างตัวคุณเองก็ใช้ไหวพริบ ป, ปฏิพานหลบเลี่ยงรักษาตัวรอดไว้ได้โดยเจ็บน้อยกว่าทุกคน นั่นก็ต้องนับว่าเป็นความสามารถขีดสุดแล้วคิดกับด็อกเตอร์สไตลีซะอีกที่ยังบาเดเจ็บมากกว่าคุณเบลไม่กล่าวอะไรอีกนั่งซึมค่อยๆหันกลับไปดูทางเพื่อนสาวที่เพิ่งรอดตายออกมาได้ซึ่งบักนี้คงจะนอนหลับไปแล้วเสียงคิดบ่นมาว่าไอ้นรกมันกะฝังพวกเราทั้งหมดเลยนะเมื่อเย็นวานเนี่ย ถ้าคุณไม่ไหวทันซะก่อนหน้าเท่านั้นทุกคนแหลกหมดเลยไม่มีใครเหลือรอดไปได้นั่นน่ะเป็นพิษสงริดเด็ดของมันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะหมายบองร้ายพวกเราต่อไปผมเข้าใจว่าต่อให้มันพยายามสักเท่าไหร่โอกาสก็จะไม่เป็นของมันได้มากไปกว่าเมื่อวานนี่แล้วละ่ะคิดเขากล่าวอย่างปลอบใจพวกนายจ้าง ม, มันก็เหมือนกับฝันร้ายเหมือนกับฝันร้ายจริงๆอเมริกันอาวุโสกล่าวขึ้นลอยๆแช่มช้าคล้ายกับจะกล่าวกับตัวเองใช่ครับมันเหมือนกับฝันร้ายนับตั้งแต่ผมได้รับคำสั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ต้องมาทำหน้าที่นำทางพวกคุณเพื่อติดตามค้นหาซากเครื่องบินตกซึ่งบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์สิเมกะตันนั่นทีเดียว แลวผมก็ไม่เคยจะชอบไอความฝันอย่างนี้เลยแต่ถึงแม้เราจะไม่ชอบสักขนาดไหนเราก็ต้องเผชิญกับมันกล่าวแค่นั้นระพินก็ลุกขึ้นเอาละ่ะทุกคนนอนพักเะครับผมจะตรวจบริเวณตามภารกิจแล้วก็มีเรื่องจะสอบถามสนทนาไรกับซอกาเล่ในบ้านของที่นี่ขอให้หลับสบายกันทุกคนนะครับเพื่อจะได้ตื่นขึ้นมาผชิกับความยากแค้นทรมาน ในการเดินทางต่อไปแล้วรพินใคร์วันก็ผละออกจากกระโจมของนายจ้างมาโดยไม่ได้หันหลังกลับไปดูอีกเลยรพินเดินช้าๆตรวจดูสภาพที่ตั้งของแคมป์ซึ่งเป็นชยาพูงกลางลานหมู่บ้านห้วยเสือร้องทักทายกับพวกลูกหาบและพลานพื้นเมืองของเขาทั้งสี่คือเกิดเสย จันและบุญคำซึ่งบัดนี้ยังนั่งสมหัวดูดบ้องกัญชาที่เกลียงห้วยเสือร้องนำมาประเคนให้กันอยู่พอเห็นเจ้านายเดินเข้ามายืนดูอย่างกระทันหันไม่ทันรุนและรู้ตัวเกิดผู้กำลังดูดควันทาตาเลอยู่อย่างมันขีดสุดก็สำลักรีบเอาบ้องซ่อนหลังยิ้มแห้งๆพรานใหญ่ไม่สนใจสมุนของเขาแต่ละคนเพราะรู้สันดานดีอยู่แล้วว่าไม่ว่าคู่หนุ่มคู่แก ก็ล้วนแต่แก่นๆกันทั้งสิ้นแต่ก็รู้จักกาลเทศะดีพอสมควรว่าในภาวะใดเมื่อไรจึงจะปล่อยใจให้ร่าเริงสนุกสนานไปตามประสาไม่เคยทำงานสำคัญให้ต้องเสียหายไปนี่อย่านึกว่ามาอยู่ใจกลางบ้านห้วยสือรองแล้วไอ้งาดำหรือมันไตรมันจะตามราวีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะสนุกสนานกันยังไงก็อย่าให้ถึงกับประมาทล่ะ เขาเอ่ยขึ้นเบาๆกวาดตามองไปรอบๆก็เห็นอถฐกและพระโต้สองกระเรียงจากตะเคียนทองนั่งแอบหลังบุญคำกระจันอยู่ด้วยแสดงว่าจะสองคนแอบมามั่วสุมร่วมวงไพบู์ด้วยจะสองคนของตะเคียนทองบัดนี้แปลสภาพมาเป็นคณะร่วมตายกับคณะของเขาแล้วด้วยความสมัครใจของมันเองจอมทานกล่าวเนิบๆแต่เคร่งขึเป็นงานเป็นการต่อไป เกิดกระเซยทํา ง, งานตามคําสั่งได้ดีที่สุดนะที่ต้อนเอาพวกนายจ้างให้ยอมมาถึงที่นี่จนได้ตามที่ฉันสั่งไว้เจ้าพรานเด็กหนุ่มทั้งสองของเขายิ้มแห้งๆก่อนายสั่งยังไงเกิดกระเซยก็ต้องทําอย่างนั้นแหละนายพวกนายห่างฝรั่งที่เหลือกันอยู่สองคนกำแมมเบร์ทำไมมาก็ถูกทิ้งไว้บนยอดสักดานั่นแหละเพราะเกิดกระเซยต้อนพวกตะเคียนทองออกเดินแล้ว จะไม่ยออไม่ทิ้งหรอกก็เลยต้องตามมาด้วยไงอืมดีมากบุญคำจันระหว่างที่ฉันนอนพักหลับอยู่เมื่อเย็นก็คงจะถูกพวกนายห้างเรียกไปสักถามเป็นการใหญ่สินะถึงเรื่องราวทั้งหมดน่ะโอ้นายนายห้างบ๊อบนะ่ะแกะซักซักที่จนไม่มีอะไรจะบอกนั่นแหละก็ด่าบุญคำกับจันว่าค้นหาทางในธรรน่ะยังไง หาไม่พบจนถึงขนาดต้องให้นายออกไปตามเองจึงพบเส้นทางบนเพดานสูงของถ้ำบุญคำก็บอกว่าถ้าบุญคำเก่งเหมือนนายทุกอย่างบุญคำก็คงไม่ต้องมาเป็นเบาวนายอยู่อย่างนี้หรอกก็เลยเงียบไปบุญคำบอกมาป <c oughs> นหัวร้อย <c oughs> ตาแกเริ่มจะปลือพรฤทธกัญชาอุทะพระโตกระพินเรียกสองกระเรียงเบา เจ้าหนุ่มคู่นั้นค่อยๆล่อหน้าออกมาจากด้านหลังบุญคําแล้วยิ้มเห็นฟันกระดำกระดังพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางจากที่นี่เข้านรกดำแล้วนะให้เวลาเจ้าตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายจะไปด้วยหรือจะอยู่ที่นี่ก็ได้สองกะเหียงเดินตายจากตะเคียนทองมองหน้ากันเองแล้วบอกออกมาโดยไม่มีการนัดแนะกันเลยว่าไปด้วยที่นาย แต่ตายมากกว่าที่จะได้กลับมานะโอ้ยนายคนจะตายอยู่ที่ไหนก็ตายนายคำพูดง่ายๆ่ายสั้นสั้นจากใจจริงบางขณะมันก็เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งเหมือนกันระพินพยักหน้าอย่างพอใจสืเองคงจะดีขึ้นมากแล้วนะขเขาเลยถามไปถึงคนเจ็บที่ยังอดเป็นห่วงไม่ได้ก็เกือบหายแล้วล่ะนาย หมอผมแดงนั่นแกก็ดูแลมันอยู่ตลอดเวลาพระโต้เป็นคนตอบความจริงมันอยากไปด้วยนา ย, ายแต่ยังเดินไม่ค่อยไหวอุทะเสือใหม่คนเหตุการณ์เมื่อเย็นวานทุกคนก็เห็นกันแล้วนะมันใจนะ่ะตามจองล้างจองผลาญเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานนี้ก็เกือบสำเร็จแล้วมันก็จะตามรังควานเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราหรือมัน จะเป็นฝ่ายพินาศไปไอช้างงาดำน่นไม่ได้มีตัวเดียวตัวไหนก็ได้ถ้าผีลงงามันก็จะเป็นสีดำทันทีอย่างที่หินกันแล้วเป้าหมายสำคัญของเราในอัน ด, ดับแรกนี่ก็คือพยายามหาทางทำลายซาบนักรบตัวโตที่มันอาศัยลงสิงแทนร่างนักบวชโลนตัวเดิมของมันที่บุญคาเผาวดวายไปแล้วในครั้งนั้นให้ได้เพราะเป็นตัวที่ใหญ่และมีชิ้นส่วนสมบูรณ์ที่สุด เขาเป็นว่าถาห็นพร้อมๆกันหลายตัวที่จะโผล่มาเล่นงานเราต่อไปน่ะให้ชะไอ้ตัวใหญ่สำคัญที่สุดนั่นก่อนอย่าให้มันเอาซากนั่นมาใช้งานได้ทั้งสี่พรานคู่ใจและกระเรียงตะเคียนทองอีกสองซึ่งกลายเป็นบุคคลร่วมตายในคณะไปแล้วต่างรับคำและเข้าใจดีเขาถามต่อไปว่าแล้วนิซอกาเลย่ะอยู่ไหน กี่มันก็นั่งอยู่กับบุญคำตรงนี้แหละนายตอนนี้คงแอบกลับขึ้นเรือนไปแล้วมันเพิ่งได้มีใหม่ ร, รุ่นรุ่นครบเพาะจันไหนไปตามโซกาเล่มานีหน่อยสิเขาออกคำสั่งจันก็พรวดลุกขึ้นเดินจำอาเอา้าๆตรงไปยังเรือนเกรเรียงที่เห็นปลูกเรียงรายอยู่ที่นั่นทันทีระพินถอนใจยาว ค่อยๆย่อนตัวลงบนขอนไม้ของวงศีวนานั้นสมุนสนิททั้งสามเห็นสีหน้าเจ้านายแล้วก็เริ่มไม่สบายใจเพราะเขามองไปในความมืดของราวป่าอย่างปราศจากความหมายแล้วยกมือทั้งสองขึ้นเสรยผมก้มหน้ามองนิ่งไปยังกองไฟบุญคำก็ขยับตัวเข้ามานั่งใกล้ๆกระซิบถามว่านาย นายมีอะไรหนักใจเหรอรพินสันศีรักไม่ตอบครูหนึ่งก็เงยขึ้นพูดไปทางอูถัและพระโตว่าพวกตะเคียนทองมารวมกัพวกค่้ยเสือร้องได้ก็ปลอดภัยแล้วและจะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นทั้งสองคนถ้ามีโอกาสก็บอกให้ทุกคนรู้เถอะว่าฉันเชื่อว่าต่อไปนี้เนี่ยช่างงานดำหรือไอ้พวกผีดิบเนี่ย มันจะไม่มารังควานผู้คนที่นี่อีกแล้วล่ะแต่มันจะติดตามฝ่ายเราไปอุทะกับพระโต้เองก็เชื่อ ย, อย่างนั้นนายให้มันตามไปเรื่อยๆเถอะเราสองคนไม่กลัวมหรอถ้ามีนายกะลุงคำอยู่ด้วยไอ้งง่เสรยเอียงหน้าเข้าไปกระซิบกับสองกระเรียงดอย พวกข้าทุกคนทำไมกลัวไอ้งาดังไอผีต้ยซากนั่นแต่กลัวผีสวยๆผมทองตัวนึงกับผมแดงอีกตัวหนึง่งที่กําลังจะล่วงตับนายระพินอยู่ทุกขณะนายเองก็กลัวสุดใจขาดดิ้นเหมือนกันนู่นไงเห็นไหมพอพูดถึงก็ย่องกลีดตามหลังมาแล้วไอตัวนี้นะผมแดงทุกคนที่ล้อมวงอยู่มองไปทางด้านหลังของเขาเป็นตาเดียว ส่วนระพินไม่ทันได้ยินว่าเสยพูดอะไรกับสองกระเลียนนั่นจึงยังนั่งเอากิ่งไม้แห้งเล็กๆ เ, เ, เขี่ยกองไฟอยู่ยังไม่เฉลียวคิดด้วยเย็นยนต์ต่ออะไรทั้งสิ้นเพราะกำลังอยู่ในอารมณ์ลอยเผลอตัวระพินควักบุหรี่ออกมาค่าด้วยสัญชาตญาณเคยชินมากกว่าเจตนาอยากจะสูบแท้จริงและเอากิ่งไม้ที่ติดไฟนั้นจะนามาต่อกับปลายบุหรี่ของเขา แ, แล้วก็ชะ ง, งักตึกแล้วไฟจากไลเตอร์อันหนึ่งสว่างแวบแล้วก็ยื่นผ่านไหลเข้ามาจากเบื้องหลังเจาะเข้ามาที่ปลายบุหรี่ของเขาจอมพลานเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึง่งแล้วต่อบุหรี่โดยดีคริสคุณเหนื่อยมามากแล้วนะคุณนอนพักซะเมื่อกี้ก็เห็นนอนแล้วนี่เ อ, อ่ยเสียงเบาๆโดยไม่หันกลับมามอง เบาควันบุรีลงต่ำใจคงจะจรดจดจ่ออยู่กับคริสสินะเลยทายผิดเสียงตอบมาเบาๆทำเอาอึ้งไปพวกรานพื้นเมืองทั้งที่นั่งล้อมวงอยู่ไม่มีใครพูดอะไรนอกจากยิ้มยิ้มกันทั่วทุกคนแม้แต่อูถะและพระโต้แต่พวกนั้นฟังไม่รู้เรื่องเพราะการโต้ตอบไม่ได้ใช้ภาษาไทย พินเอี้ยวตัวแงนไปดูแล้วก็ยิ้มให้นิดหนึ่งร่างบึกบับเหมาะสมกับการสืบพันธุ์ได้เป็นอย่างดีของอิสเบล์มายืนอยู่ด้านหลังเขาวีกลางตัวของหล่อนอห่างจากใบหน้าเขาเพียงแค่ศอกเดียวเท่านั้นในท่าที่ยืนผ ง, งาดอยู่เช่นนั้นไม่ได้มีเจตนาแต่ก็เป็นไปตามนิสัยปกติธรรมดาตามเผ่าพันธุ์โดยน้าเสียงที่อ่อนโยนราบเรียบและสุภาพที่สุด ดพินพูดเสียงเรื่อยๆว่านี่คุณลักษณะนี้เนี่ยคนไทยเขาเรียกว่ายืนค้ำหัวเป็นกิริยาที่คนไทยเราถือกันมากนะนั่งสิเบถ้าคุณยังไม่ง่วงหรือว่ามีอะไรจะพูดกับผมไม่เ อ, อ่ยเฉยๆแต่มือเขาเอื้อมไปจับข้อมือของแม่ผมแดงฉุดดึงเบาๆให้นั่งลง บนขอนไม้อันเดียวกันใกล้ๆเบียงยิ้มนั่งลงข้างๆเขาโดยดีตาเป็นประกายจำรับแ้ะพินคุณเป็นสุภาพบุรุษจริงๆอะไรนะเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีอะไรแปลกใจสักนิดเดียวว่าทางทั้งที่สายตาพื้นๆโดยทั่วไปแล้วคุณก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจสำหรับเพศตรงข้ามเลยถ้ า, ากว่าได้รู้จักคุณได้ลึกซึ้ง ได้คบหาสมาคมใกล้ชิดจะได้เห็นธาตุแท้ก็ล้วนแต่จะต้องชื่นชมคุณทุกคนไปหละอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยแม้แต่ผู้ชายด้วยกันเองก็เถอะเพราะบนความหน้าหมันไส้แท้จริงคุณเป็นคุณน่ารักนะใช่เบร์แต่เฉพาะในป่าท่ามกลางอันตรายแวดล้อมรอบตัวเท่านั้นนะที่ทุกคนมักจะคิดถึงผมในแง่นี้ แต่เขาถอนใจเบาๆอัดบุหรี่ลึกปล่อยให้มันค่อยๆระบายออกมาทางช่องจมูกแต่อะไรคุณผู้จะไม่จบประโยคนี่จอมพรานห่อไหลลุผมหมายถึงว่าเมื่ออยู่ในเมืองหรือเมื่อทุกคนปลอดภัยเข้าเขตแดนสิวไลแล้วผมก็คือผม แค่เจ้าพรานตอกต่อยคนนึงที่เคยรับใช้เขาเหล่านั้นมาเท่านั้นก็ไม่มีใครจําผมได้หรอกประโยคหลังเสียงของเขาแหบเหืดแล้วกล่าวต่อไปในใจตัวเองอย่างขมขื่นว่าใช่ไหมครับคุณหญิงดารินเบนหัวเราะอยู่เช่นนั้นหล่อนไม่คมหรือละเอียดอ่อนนักหรือมิฉะนั้นก็มองข้า ไม่สนใจในคำพูดของเขาเปลี่ยนมาพูดในเรื่องง่ายๆต่อว่ามีการประชุมอะไรกันในหมู่พวกคุณนี่ฉันเข้ามาขัดจังหวะหรือเปล่านี่ไม่มีความลับอะไรในหมู่พวกผมจึงไม่ถือว่าเป็นการขัดจังหวะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนักหรอกเบลปรึกษาหารือกับเจ้าพวกนี้ก็เกี่ยวกับการเดินทางของเราอะ แล้วเขาก็มองไปทางแคมป์ของฝ่ายนายจ้างซึ่งบัด น, นี้ทุกคนนอนสงบกันไปหมดแล้วถามตรงๆว่าเนี่ยาจารย์หรือหัวหน้าของคุณส่งคุณนี้มาคอยประกบดูท่าทีของผมหรือไงเปล่าฉันแค่อยากจะมานั่งคุยกับพวกคุณบ้างคุณคงไม่ไล่ไม่ใช่เหรอหลอนก็พูดง่ายๆดีเหมือนกันสายตาท่าทีปราศจากรับลมอะไร ดูได้ง่ายลักษณะของหล่อนเหมือนเพื่อนไม่แสดงอาการใจน้อยหรือขี้งอนซึ่งข้อนี้เขาก็พอใจอยู่ตกลงเบลผมนั้มาอยู่ในฐานะที่จะลาะไล่คุณได้หรอกถ้าคุณพอใจแล้วให้ความสนใจกับพวกเรานี่พวกเรามีใครเจ็บไข้หรือแสดงอาการว่าจะไม่สบายอะไรบ้างไหมามีก็บอกนะ จะได้หาทางสกัดกัน้นป้องกันไว้ซะก่อนประโยคนี้หล่อนเปลยเป็นภาษาไทยไปยังพรานพื้นเมืองของระพินทุกคนเกิดเซยบุญคํายิ้มยิงฟันพวกเราทุกคนสบายดีหมอแหมมตาเท่าเจ้าเล่บุญคําตอบมาถ้าจะไถ่นักก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละก็ที่นั่งอยู่กลางทางหมอแแมมนั่นแหละ ว่าแล้วแกก็บุยปากไปที่ระพินเบนเบิกตานิดนึงตะแข็งใบหน้าเหรอเขาเป็นไรไข ใ, ใจไงคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังแต่ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะคิดถึงแกอยู่หรือเปล่าหุบปากตะคำ้ำเดี๋ยวเหอะระพินพูดเสียงต่ําๆหน้าเคร่งลง ส่วนเบลเปล่าลมออกจากปากแล้วเหลือกตาขึ้นไปข้างบนเอ๊ถ้าใครเรื่องนี้หมอเองก็จนบรรญานะไม่รู้จะเยียวยาได้ไงเหมือนกันแล้วก็เห็นใจเป็นอย่างยิ่ง น, นี่เบลคุณอย่ามาผสมโรงเข้ากันเป็นปีเป็นครุยไงพวกนี้เลยผมพยายามจะทำใจให้สงบราบคาบแล้วก็สุภาพที่สุดแล้ว โปรออย่ามักระต้นนะผมขุนมัวหงุดหงิดเลย sorry <man. S 1> แมนเบว่าแล้วก้มลงจิตบุรีบ้างพูดเป็นงานเป็นการขึ้นว่าคุณคืณนนี้ที่นี่พวกเราทั้งหมดปลอดภัยสักขนาดไหนคุณคุณก็ไปนอนหลับให้สบายได้แล้วอ้าว ก็คุณบอกว่าคุณจะไม่ไล่ฉันยังไงล่ะก็ไม่ได้ไล่ผมหมายความแค่ว่าที่นี่คืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรห่วงยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นน่ะในฐานะหมอคุณไปสังเกตดูแลคริสตีก็แล้วกันเขาสะบักสะบอมมากผมเกรงว่าเขาอาจจะไม่สบายขึ้นมากลางดึกก็ได้นี่อย่าห่วงเลยคุณ ถ้าคริสไม่สบายนะ่ะฉันจะมาปลุกคุณเบลบอกมาหน้าตาเฉยปลุกผมเหรอปลุกเพื่ออะไรกันแล้วผมจะไปช่วยอะไรเขาได้แม่ผมแดงยิ้มนิดหนึ่งปลายหางตาดูเขาชั่วแวกแต่ไม่ได้พูดอะไรอีกเอามือที่สวมถุงหนังอังเปรวไฟในกองขณะนั้นจัน์ก็นำกระเรียงหัวหน้าบ้าน ที่ชื่อศอกกะเล่เข้ามาถึง92ราิบระพินพยักหน้าให้ศอกกะเล่เข้ามานั่งใกล้ๆสอบซักสนทนาอยู่ครูใหญ่เบล น, นั่งฟังอยู่ด้วยแม้จะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้สอดแทรกอะไรขึ้นแล้วก็ยังไม่ยอมลุกไปจากที่นั่นครูใหญ่ต่อมาศอกกะเล่ ok ก็ลุกขึ้นเดินกลับไปหล่อนจึงเอ่ยถามระพินขึ้น เขาว่าไงมั่งล่ะคุณก็เหมือนกับที่เขาได้บอกกับพวกคุณไปแล้วนั่นแหละไม่เห็นหรือได้ข่าวเครื่องบินตกไม่รู้เรื่องขโขลงช้างผีสิงหรือไอ้มนุษย์พวกนั้นและเขาก็เต็มใจและยินดีต้อนรับกระเหลี่ยงอุพยพที่เราเอามาด้วยเพราะเป็นเคยญาติพวกเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็ฝากขอบคุณหญิงสาวสวยผิวขาวผมแดงที่พอมาถึงก็ออกตรวจเยี่ยมเยียนซักถามเพื่อช่วยรักษาชาวบ้าน โดยเฉพาะเมียสาวของมันซ้ำยังช่วยบอกให้มันดีใจด้วยว่าเมียอายุส6หของมันกำลังเริ่มตั้งครรภ์ก็เท่านั้นเองคุณปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาได้ดีขึ้นมากนะที่สามารถทำให้ชาวป่าชาวดอยเลื่อมใสรักใคร่นิยมแทนที่จะรังเกียจเบรเบะปากนิดหนึ่งเป่าควันบุรีพึชกระจายไปกับลมค่ากลางป่า เขตแล้วล่ะคุณโดนคุณดา่าซะเจ็บและแสดงความไม่พอใจพวกเราจนออกนอกหน้าตอนที่เราปฏิเสธคำขอร้องของกระเหลี่ยงซับบอนเรื่องเสือกินคนตัวนั้นไอ้ความจริงฉันไม่ได้ต้องการจะทำดีอะไรกับพวกนี้หรอกเพียงแต่รู้ว่าเราควรทำตัวให้เป็นที่ชื่นชมกับคุณอย่างไรบ้างเท่านั้นจึงจำเป็นต้องทำตัวให้เหมือนพวกมิชชันนารีทั้งๆที่มันก็ไม่ใช่เรื่อง ระพินตกเบาๆที่ตะโพกแน่นหนาภายในกางเกงเดินป่าของหล่อนเบลผมก็ชอบนะที่คุณเป็นคนพูดตรงๆตรงไปตรงมาแบบไม่ปิดบังอำพรางแม้กระทั่งความใจดำของตัวเองเบลหัวเราะเสียงใสแทนที่จะโกรธก็ฉันรู้นี่ว่าคุณน่ะชอบพูดตรงๆแบบนี้จะฉันบอกกับคุณนั้นเหรอ ว่าด้วยความเมตตาปราณีทำให้ฉันแสดงความเอื้ออารีกับคนดอยเหล่านี้เบลความเอื้ออารีเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์อันหมายถึงมนุษย์ียทันจงหมั่นประกอบไว้ทะคุณมันไม่ไปไหนหรอกมันเป็นบารมีที่จะส่งผลตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติถึงไม่ใช่ทางตรงก็ทางอ้อมอูทัตละพะโตนะเขายอมมาเป็นลูกหาให้พวกคุณ โดยไม่ประสงค์ค่าจ้างหรือต้องขอร้องไหว้าวานอะไรเลยมันเพราะอะไรไม่ใช่เพราะคุณช่วยชีวิตสะเอิงเพื่อนเขาไว้ตลอดจนรับเป็นภาระช่วยเหลือนำพวกเขามาถึงที่นี่หรอกเรอเสียงตาพรานเท้าบุญคำหาวอดแล้วโผ่งขึ้นลอยๆว่าเฮ้ยพุทธปิดฟอไฟตกก็ไดขาัะนอนดีกว่าเว้ยพวกเรา ว่าแล้วแกก็เอนกายลงนอนหนุนย่ามทาเสียงกรนครอครอเบนฟังไม่ถนัดนักถามระพินเบาๆมาว่าแต่กแกสปปรรดนินลูกน้องคุณคนนี้เนะี่ยก็พูดว่าไงแล้วก็รำคาญที่คุณพูดภาษาของคุณกับผมทั้งๆ ท, ที่คุณก็พูดภาษาไทยได้แล้วก็กเลยแกล้งทาเป็นนอนแสดงอาการว่าไล่เราแล้ว ไม่ใช่ไล่เฉพาะคุณนะแต่ไล่ผมด้วย่ะไปผมจะไปส่งคุณที่กระโจมพักแล้วผมก็จะนอนเหมือนกันรบพินลุกขึ้นยืนฉุดแขนเบลให้ยืนขึ้นเดินพอเดินผ่านร่างของบุญคำผู้นอนคูตะแคงเอาผ้าเขามากลุมหัวอยู่ก็เหวี่ยงลูกแปะเบาๆไปที่ก้นแกดังป้าบสมุนขวาของเขาสะดุ้งโยงร้องว่าร้านใหญ่ไม่สนใจอะไรอีก ประคองแขนเบลเดินผ่านไปเฉยๆเสียสงบุญคำร้องไล่หลังมาอีกคราวนี้เป็นภาษากะเหรี่ยงว่ะระวังเนอนายเรายายซามสองแล้วจะหาว่าไอ้ขังไม่เตือนครั้งที่แล้วนะ่ะตกเหวอีทีนีโตกเขางงแงเจ้มามักคูเทศเอาหูทวนลมซะเบลเองก็ไม่สนใจ เพียงแต่เหลียวไปดูตาเท่าจอมสับ์ประดกยิ้มยิ้มแล้วเดินเคียงคู่ไปกับเขาเด็กนบอกให้รู้บ้างได้ไหมว่าคืนนี้คุณจะนอนอยู่ตรงไหนหลอนชวนคุยมากกว่าเจตนาจะถามเป็นทางการก็คงจะใต้ต้นไม้ที่นอนเดิมของผมอะก่อนที่จะถูกปลุกขึ้นมาทานอาหารกับพวกคุณเนี่ย จามพรานชี้มือบอกในเวลากลางคืนมืดสนิทและค่อนไปทางดึกแล้วเช่นนี้ดูมันมืดสลัวน่ากลัวไม่น้อยนั่นมันเขตนอกกองไฟที่เราก่อไว้ไม่ใช่เหรอเดพินเบลมันไม่มีข้อจํากัดสําหรับผมหรอกนะว่าจะต้องนอนในเขตหรือนอกเขตกองไฟในการพักแรมทุกครั้งไม่ว่าที่ไหนถ้าผมเลือกนอนที่ใด ก็แปลว่าผมจะเลือกจุดชัยภูมิที่สามารถจะตื่นขึ้นมาป้องกันภัยให้แก่ฝ่ายนายจ้างของผมได้อย่างสะดวกและทันการเสมอครับนิรพินความจริงเราก็ร่วมทางร่วมเป็นร่วมตายกันมาถึงเพียงนี้แล้วนะทำไมคุณถึงไม่เข้าไปนอนอยู่ในกลุ่มพวกเราสะทีล่ะคุณไม่มีพวกเราคนใดรังเกียจคุณหรอกนะอาจารย์สั่งให้ฉันมาบอกคานี้กับคุณไม่มยีฉันพูดเองนะ เบรถ้าพรานนำทางอันเป็นหลักประกันแห่งความปลอดภัยของคุณเข้าไปนอนอยู่ในกระโจมหรือภายใต้หลังคาเพลิงเดียวกันในจ้างใช่แล้วแล้วมันทมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกลูกหาบ่ะใครจะช่วยแก้ไขเขาทันอ้าวคุณระหว่างพวกลูกหาบหรือพรานลูกมือของคุณกัแบบสวัสดีภาพของพวกฉันคุณห่วงพวงฝ่ายใดมากกว่าล่ะเนี่ย ดีเบคุณเป็นคนพูดตรงดีผมก็จะขอพูดตรงๆบ้างอ่ะผมก็ห่วง เ, เท่าๆกันนั่นแหละเพราะทุกชีวิตล้วนมีค่าทั้งนั้นเดี๋ยวถ้าอันตรายมาถึงจริงๆผมก็ต้องเลือกช่วยเหลือปกป้องฝ่ายนายจ้างของผมไว้ก่อนเพราะถือว่าเป็นฝ่ายที่อ่อนแอกว่าคนเหล่านั้นพวกผมพวกเหล่านั้นน่ะไงไงก็พอวรอดได้แต่พวกคุณนะคล่องตัวน้อยกว่าเขาเหล่านั้นแน่นอน รบพินรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยทำไมฉันถึงตามไปที่คุณนั่งคุยกับพวกนั้นด้วยเขาสั่นสีสัะเบลจึงบอกต่อมาว่าไม่ใช่ว่าเสือกแสหรือว่าสอดนะคุณแต่จานนี่เป็นคนบอกฉันเองให้มาชวนให้คุณเข้าไปนอนในกระโจมพักของเราด้วยเพื่ออะไรกันคุณรบพินขมวดคิ้วยังสงสัย หัวเระเบาๆอาจารย์บอกฉันว่าเขาสังเกตเห็นคุณผูเผมากเกรงว่าจะไม่สบายขึ้นตอนดึกถ้าคุณไม่นอนที่อื่นห่างไกลออกไปก็จะไม่มีใครรู้แต่ถ้านอนรวมอยู่กลุ่มเดียวกันก็จะได้รู้แล้วก็ช่วยเหลือกันได้ตอนนี้อาจารย์ก็คงจะยังไม่หลับหรอกรอคุณอยู่ไอซิ่ระพินพยักหน้าช้า ช่วยเรียนอาจารย์หรือหัวหน้าคุณเอะว่าสุขภาพของผมเนี่ยยังดีพร้อมอยู่เสมอสำหรับคืนนี้ผมไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ฝากขอบคุณในความหวังดีด้วยแต่อย่าเพิ่งก่อนเลยไอการนอนรวมกลุ่มกะนะันไงไงมันก็ต้องมีแน่ไม่ช้าก็เร็วภายหลังเมื่อเราเข้าเขตนรกดำแล้วไม่เฉพาะผมเท่านั้นหรอกถึงพานของผมทุกคนตลอดจนพวกลูกหา ก็จะต้องเข้ามานอนรวมหมู่อยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะชนิดแยกไม่ได้แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานั้นแล้วเขาก็ชี้มือไปอยังกระโจมพักซึ่งบัดนี้เอาผ้าใบขึงลงหมดทุกด้านแล้วระพินชี้มือไปอยังกระโจมพักซึ่งบัดนี้เอาผ้าใบขึงลงหมดทุกด้านแล้วบอกต่อไปว่าเบนครับ การนอนสบายแบบเข้าไปอยู่ในกระโจมนั่นก็เหมือนกันนะพวกคุณอาจจะได้นอนแบบนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วเพราะผ้ากระโจมมันหนักมากเราต้องลดน้ําหนักแบกหามต่อไปไม่ไหวหรอกผ่านจากที่นี่ไปแล้วการนอนทุกครั้งของพวกคุณจะมีได้อย่างมากก็เพียงผ้าพลาสติกบางๆผืนหนึ่งขึงกั้นน้ําค้างและอีกผืนหนึ่งก็อาจจะหนาหน่อยปูพื้นเท่านั้นรอบด้านทุกทิศทางจะเปิดว่างโล่งหมด กระโจมผ้าใบาแบบปิกนิกกันในป่าชนิดนั้นนะ่ะเราหมดโอกาสที่จะใช้แล้วถ้าต้องการเดินทางให้เร็วและมีความคล่องตัวสูงโอ้พระเจ้านี่จะเอากันถึงขนาดนี้เชียวหรอคุณอิสเบนร้องออกมาอย่างตกใจกระพินก้มศรีศรษะลงครับเมื่อพวกคุณพร้อมจะเดินบุกบันภายใต้การนำทางของผมไปโดยไม่รู้อนาคต พวกคุณก็ต้องพร้อมแล้วที่จะทําอย่างที่พวกผมเคยทํากันมาแล้วความสะดวกสบายใดๆต่อไปนี้เห็นจะหายากแล้วล่ะคุณพวกคุณจะได้เปรียบพวกลูกหาอยู่บ้างก็ตรงที่ไม่ต้องมาแบดมาหามอะไรแต่จะมีคนคอยรับใช้ช่วยเหลือในระหว่างวางแคมป์ตอนนั้นตายละคุณนี่คุณยังไม่ได้บอกให้พวกเรารู้กันล่วงหน้าเลยนะเพิ่งจะมาบอกก็แค่ชั้นเดี๋ยวนี้เองครับถึงไม่บอกซัคืนนี้ พรุ่งนี้ทุกคนฝ่ายคุณก็คงทราบเองของอะไรก็ตามที่จำเป็นน้อยจะถูกตัดทอนลงไปอีกอย่ารักษาโรคลูกปืนวัตถุระเบิดหรือเครื่องใช้ในทางเทคนิคในการกู้ระเบิดของคุณในกรณีถ้าพบเท่านั้นที่เราจำเป็นจะต้องขนไปพวกคุณต้องยอมเสียสละความสบายส่วนตัวลงอีกนิดนึงก็อย่างที่ผมบอกอลว่าเท่าที่เราผ่านมาแล้วน่มันแค่ชยดงเท่านั้น ต่อไปนี้เรากําลังจะเข้าดงลึกที่มนุษย์เข้าไปแล้วยากนักที่จะผ่านกลับออกมาได้แค่ป้หลังและปืนติดตัวคุณแต่ละคนต่อไปนี้พวกคุณจะรู้สึกเองว่าแค่นี้มันก็หนักราวกับภูเขามาถ่วงอยู่ทีเดียวภูมิประเทศข้างหน้ามันจะเชี่ยวพวกคุณเห็นเองว่าบางขณะเราต้องเดินในเวลากลางวันกลางคืนพักแล้วบางช่วงบางตอนเราก็อาจจะต้องนอนพัก ในเวลากลางวันแล้วใช้เวลากลางคืนเป็นเวลาเดินทางนี่พูดถึงเฉพาะภูมิประเทศที่จะผ่านเท่านั้นนะครับยังไม่ได้พูดถึงอันตรายจากสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งยังเดาไม่ถูกอาหารสำเร็จรูปแบบที่ใช้กับมนุษย์อวกาศที่คุณเตรียมมาด้วยนะ่ะมีโอกาสใช้ได้แน่ครับภายหลังจากเรั่นของฝ่ายคุณหมดและฝ่ายผมยังหาสัตว์อะไรมาทดแทนไม่ได้ ไอ้น้ำก็เหมือนกันถ้าคุณมีตัวยาเคมีอะไรที่จะทำให้พวกเราหายหิวน้ำได้ก็เตรียมไว้เถอะเพราะมันไม่แน่ว่าภาัยบางทีนะ่ะสามวันเต็มๆ เ, เราอาจจะหาแหล่งน้ำไม่ได้เลยคุณนี่รดพพินคุณพูดจริงเหรออ่ะแล้วผมจะมาโกหกหลอกลวงคุณเพื่ออะไรสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมบอกกับพวกคุณไว้ก่อนหน้าที่จะออกเดินทางมาก่อนเหะ มันเพียงแต่ว่าพวกคุณน่ะไม่เชื่อคราวนี้เป็นได้พบแน่ละ่ะของจริงคุณแม้จะอิงนิยายนิดๆประโยคหลังเขาพูดยิ้มๆเบยงหยุดยืนนิ่งจ้องหน้าเขาในเงาสลวอยู่เช่นนั้นนานทีเดียวระพินยกมือทั้งสองขึ้นจับต้นแขนของหล่อนไว้บีบหนักหน่วงถามต่อมาเบาๆ่า คุณชักไม่แน่ใจซ่แล้วใช่ไหมสำหรับอนาคตระพินถ้าคุณไม่ทิ้งพวกเราซะอย่างเดียวถึงยังไงเราก็ไม่กลัวหรอกแน่นอนคุณไอเกียรติยศของผมถ้าจะพ อ, พอจะมีอยู่บ้างก็คือเรื่องที่ไม่เคยทอดทิ้งนายจ้างนีนะ่แต่จะขอสั่งอะไรไว้หน่อยได้ไหมผมบอกเฉพาะคุณคืนนี้ แล้วคุณก็ไปบอกพวกคุณซะด้วยว่าผมสั่งไว้ยังไงหล่อนพยักหน้าคุณจะสั่งอะไรล่ะสิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกนี้ก็คือความไม่แน่นอนพวกคุณพิจารณาเห็นแล้วว่าผมเป็นทรานํำทางที่มีความสามารถแล้วผมก็ยอมรับว่าคุณเลือกได้ถูกต้องแล้ว ตัวผมนะ่ะอาจชนะภัยต่อสู้อันตรายสำเร็จมาได้แล้วเก้าสิบ้าครั้งเพราะว่าในครั้งที่ร้อยนี่ผมอาจจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้ระพิดอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหมได้เบฟังให้ดีนะถ้าผมพลาดเสียชีวิตลงระหว่างทาง จะด้วยอุปัตวายเหตุภัยอันตรายหรือการเจ็บไข้ใดป่วยใดใดก็ตามผมอยากจะขอร้องว่าเพื่อเห็นแก่ชีวิตของพวกคุณเองทั้งหมดขอให้เดินทางกลับทันทีอย่าพยายามรุดหน้าต่อไปบุคคลที่รองจากผมโดยรับหน้าที่นำพวกคุณกลับได้จะไล่าอาวุโสกันลงไปเป็นลำดับคือบุญคำจันเกิดแล้วก็เสอ คนใดคนหนึ่งสุดแต่ว่าใครจะยังเหลือชีวิตรอดอยู่แม่ผมแดงกายสันเทาเมื่อได้ยินเขาพูดแช่มช้าและชัดเจนจริงจังเช่นนั้นขณะนั้นทั้งสองยืนประจันหน้ากันอยู่ห่างจากบริเวณกระโจมพักของฝ่ายนายจ้างราวสิบห้าสหก้า บุรุษผู้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางไพรถื่นเสยกว่าครึ่งค่อนของชีวิตยกเว้นระยะระหว่างการศึกษาแต่ต้นแขนหล่อนอย่างสุภาพและใช้แรงผลักเบาๆเพื่อให้หล่อนเบนกลับไปยังแคมเบลผมส่งคุณแค่นี้นะพรุ่งนี้เรามาร่วมทุกข์ยากในการเดินทางกันใหม่แล้วกันราตรีสวัสดครับ แม้จะหันกลับไปแล้วเบลก็ยังยืนนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวพอเขาขยับจะเดินผลักไปเสียงเบาๆของหลอนก็แววมาว่าระพินคุณพูดทิ้งปัญหาฉันคิดชนิดที่คงจะนอนไม่หลับไปทั้งคืนแล้วก็บอกราตรีสวัสดิ์งั้นเหรอคุณสุภาพบุรุษไพรทำไมล่ะเบลคุณหวั่นไหวอะไรมากนักเหรอ ระินก่อนนี้อะนะทุกครั้งที่ฉันหรือพวกเราได้ยินคุณพูดอะไรไม่สบายหูนะเราก็คิดว่าเป็นคำพูดที่คุณแกล้งข่มขู่พวกเรามาตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ละสิ่งที่คุณพูดมันยังน้อยซะยิ่งกว่าสิ่งที่เราพบด้วยตัวเองซะอีกเฉพาะที่แล้วมานะ่ะฉันยอมรับว่าฉันฟังคุณแล้วฉันหวั่นไหวพ่านพึงมาก ฉันมีสิทธิ์ที่จะกลัวไม่ใช่เหรอคุณถ้าไม่กลบเกลื่อนปฏิเสธความจริงกันทั้งนั้นผมก็เสียใจบ <Dear. S 1> ที่จะบอกความจริงอะไรกับคุณไปไอ้ที่บอกก็ต้องการที่จะให้มีการเตรียมกายเตรียมใจไว้ล่วงหน้าให้พร้อมถ้าผมรู้ว่าผมจะทําความไม่สบายใจให้กับคุณผมก็จะไม่พูดอะไรที่เห็นว่าคุณเป็นคนเปิดเผยดีผมก็เลยพูดกับคุณตรงๆ ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกลัวถึงผมเองก็เหมือนกันผมกลัวไม่ใช่ไม่กลัวแต่ถ้าเหตุการณ์จำเป็นมันบีบบังคับก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเอาละ่ะขอบอกกูดไนอีกครั้งครับโปรทรพินก ร, รุณาอย่าเพิ่งกูดไนได้ไหมจะรู้กับคุณจะเดินไปส่งฉันจนถึงกระโจมพักนั่นฉัน ฉันรู้สึกว่าคุณพยายามจะตัดบทและไล่ฉันไปให้พ้นหูพ้นตาใช่จริงๆดูวิธีที่สุภาพที่สุดเสียงของเบลมีแววพอคุณมีอะไรจะพูด ก, กับผมมากกว่านี้เหรอเบลขอเวลาสักสีห้านาทีได้ไหมรพิผิ์ดับกรองว่าไม่นานกว่านั้นตกลง หลอนก้าวออกเดินช้าๆตามเข้าไปเบื้องหลังพอเข้าเงาไม้ก่อนจะถึงกระโจมพักก็หยุดหย่อนกายลงนั่งบนแคร่ไม้เล็กๆที่กะเรียงหลมช้างทําไว้ตรงโคนต้นเพื่อสําหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนกันเพราะบริเวณนี้ถือเป็นบริเวณกลางลานของหมู่บ้านทั้งหมดอาการนั่งของหล่อนเท่ากับเป็นการบังคับกึ่งขอร้องไกลๆให้เขาต้องนั่งลงด้วย ขณะนั้นอากาศเยือกเย็นเบรรูดซิแจะเก็ตหนังของหล่อนที่แบก อ, อกไว้ขึ้นไปจนถึงสวง อ, อกห่อกายลงระพินในความรู้สึกของคุณสำหรับป่าลึกที่คุณเรียกว่านรกดำซึ่งเราจะบุกบั่นเข้าไปคุณคิดว่าวิทยุของเราที่จะติดต่อกาหอบังคับการลอย เพื่อขอความช่วยเหลือก็ดีหรือเพื่อส่งกำลังบำรุงอย่างไม่จำเป็นก็ดีจะใช้การไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมในเงามืดแม้จะอยู่กันใกล้ๆพอพูดกันเบาๆแบบกระซิบได้ยินแต่ก็ไม่อาจมองเห็นอะไรของกันและกันได้ขนัดเบงครับผมเองก็ภาวนานะ คอวิทยุพิเศษของคุณนะ่ะสามารถติดต่อกับหอบังคับการลอยได้ตลอดเวลาหรือแม้ได้เฉพาะบางขณะยามเมื่อเราเข้าตาจนจริงๆก็ยังดีแต่ผมกลัวว่ามันจะใช้ไม่ได้เลยไม่ต้องอะไรมากประคุณเพียงแค่เรามาหยุดอยู่แค่ชายดงนี่เท่านั้นพวกคุณข้างบนก็แจ้งลงมาว่าหาพิ ก, กัดของเราไม่ถูกซะละ นั่นแสดงว่าถึงจะติดต่อกันได้เขาก็ไม่รู้ตำแหน่งแน่นอนของเราว่าอยู่กันที่ไหนซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นการนาเดินทางของผมก็นำออกเดินทางมาจากเส้นชี้บอกของแผนที่ฝ่ายคุณนั่นแหละคิดแล้ก็หัวหน้าคณะของคุณก็ตรวจสอบเส้นทางมาโดยตลอดก็เห็นเห็นกันอยู่ ว่าผมไม่ได้นางผิดเส้นทางตามแผนที่ของฝ่ายคุณเลยแล้วทำไมแผนที่ก็ปี้เดียวกันฝ่ายนึงอยู่เหนือหัวของเราฝ่ายหนึ่งเดินอยู่ข้างล่างไอฝ่ายข้างบนกลับเป็นฝ่ายหาตำแหน่งของเราไม่พบเบนถอนใจอย่างอัดอั้นใจฉันก็งงอยู่เหมือนกันแหละระพินในข้อนี้แต่คุณก็รู้อยู่แล้ว ว่าหน้าที่การอ่านแผนที่และการติดต่อทางวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องของคีทกับจานเพียงสองคนเท่านั้นเพราะฉันกะไลล่าออขอโทษนะฉันหมายถึงคริสติน่าเราสองคนไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยและสองคนเขาว่าไงมั่งล่ะเขาก็งงๆันเหมือนกันนะแล้วก็ยืนยันว่าทางคุณก็นามาถูกต้องกับแผนที่แล้วไม่ได้คลาดเคลื่อนออกนอกเส้นทางเลย ให้ความเห็นว่าบางทีแผนที่ทางอากาศที่ทําไว้น่ะอาจจะไม่ละเอียดพอก็ได้ฉันคิดว่าพรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางเขาอาจจะต้องหารือกับคุณอีกทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็ไม่รับรองนะเบรถ้าหากว่าแผนที่ของฝ่ายคุณคลาดเืนเองแต่รับรองได้อย่างเดียวว่าแผนที่ชี้ไปทางไหนผมก็จะนําพวกคุณบ่ายหน้าไปทางด้านนั้นแหละ ไอการอ่านแผนที่และกำหนดแนวทางเดินผมขอเว้นให้เป็นเรื่องของคุณอ น, นคีตกับดกรสเตลลีผิดพลาดยังไงจะมาโทษผมไม่ได้นะระพินคืนนี้นะคุณสุภาพอ่อนโยนก็จริงนะแต่ดูจะเคร่งขรึมเป็นงานเป็นการเหลือเกินเรากำลังพูดถึงเรื่องงานสำคัญอยู่ไม่ใช่เหรอคุณ ในครบเวลาสีห้านาทีที่ฉันขออนุญาตคุณไว้แล้วหรือยังเนี่ยอย่าไปสนใจเลยคุณเอาว่าคุณอยากจะพูดกับผมนานสักเท่าไหร่ก็ตามสบายแล้วกันจนกว่าคุณจะง่วงแล้วก็กลับเข้าไปนอนดีไหมระพินคุณทําให้ฉันยำเกรงและเกรงใจคุณเหลือเกินเอาล่ะงั้นฉันก็ควรจะไปนอนได้แล้วนะ จะไม่ทำตัวให้คุณต้องลำบากใจอะไรเลยในทุกด้านตามที่สัญญาไวา้แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณทุกอย่างสุดแต่คุณต้องการกล่าวจบเบงก็ลุกขึ้นยืนบอกราตรีสวัสดิ์เป็นภาษาของหล่อนแล้วก็เดินตรงไปที่กระโจมแหวมกม่านลับหายเข้าไปอย่างง่ายๆตามนิสัย